จะิญพลท่านผู้มีเจตเมตตากรุณาใจบุญใจกุศลทุกๆท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่สิบเจ็ดธันวาคมพุทธศักราช2559เป็นวันที่ท่านทั้งหลายมีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆยึงได้ตั้งใจมาว่าเพื่อมาทำบุญทำทาน มารักษาศีลมาปฏิบัติธรรมมาฟังเทศน์ฟังธรรมเพื่อที่จะได้เกิดความสุขและความเจริญเพราะความสุขความเจริญนั้นอยู่ที่การมีความเห็นที่ถูกต้องคือเห็นตามความเป็นจริงตอนนี้เรายังมอง สิ่งต่างๆไม่เป็นไปตามความเป็นจริงเราจึงต้องมาศึกษามาฟังเทศฟังธรรมจากมาฟังเทศฟังธรรมของพระพุทธเจ้าที่ส่งเสริผู้ตัดสู้ความเป็นจริงโดยเฉพาะความจริงของพวกเราพวกเราตอนนี้ คิดว่าเราเป็นร่างกายร่างกายเป็นเราแต่พระพุทธเจ้าหลังจากที่ได้ส่งศึกษาได้ส่งปฏิบัติได้ส่งพิสูจก็ส่งค้นพบว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเราคือไข่เราก็คือผู้ที่ สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆอย่างวันนี้เราก็สั่งให้ร่างกายมาวัดสั่งให้ร่างกายไปซื้อข้าวซื้อของ อ, อาหารข้าวหวานต่างๆแล้วก็สั่งให้ร่างกายนำอาหารข้าวของต่างๆมาวัดผู้ที่สั่งนี้ไม่ได้เป็นร่างกายเป็นอีกคนหนึ่งเป็นเรา เรายเราเป็นคนสั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆแต่เราไม่ได้เป็นร่างกายเรามาได้ร่างกายตอนที่พ่อแม่ได้สร้างร่างกายนี้ขึ้นมาพอเกิดมีร่างกายนี้ขึ้นมาอยู่ในท้องของแม่เราก็เข้าไปจับจองเป็นเจ้าของแล้วพอคลอดออกมาเราก็หลงคิดว่า เราเป็นร่างกายไปเพราะเราไม่มีรูปร่างเหมือนร่างกายเราจงไม่สามารถเห็นตัวเราเองได้ว่าเราเป็นใครเราเป็นอะไรเราก็เลยไปคิดว่าเราเป็นร่างกายแล้วเราก็เลยต้องมาคอยดูแลรักษาร่างกายแล้วก็มาทุกข์กับร่างกายทั้งๆ ท, ที่เรา ไม่ได้เป็นอะไรเลยแต่เรากลับมาทุกข์แทนร่างกายเวลาร่างกายแก่เราก็ทุกข์เวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ทุกข์เวลาร่างกายตายไปเราก็ทุกข์เพราะความหลงของเราที่ไปคิดว่าเราเป็นร่างกายนั่นเองแต่เราไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายไปกับร่างกายเลย ร่างกายที่แก่ที่เจ็บที่ตายเขาก็ไม่เดือดร้อนเลยเพราะร่างกายเขาไม่มีความรู้สึกนึกคิดเขาไม่รู้ว่าเขาแก่เขาไม่รู้ว่าเขาเจ็บเขาไม่รู้ว่าเขาตาย <c oughs> เขาก็เป็นเหมือนวัตถุต่างๆเหมือนดอกไม้ที่เราไปตัดมาจากต้นไม้ดอกไม้นี้เขาไม่รู้เวลาที่เราตัดเขามาจากต้นไม้ เขาไม่รู้สึกเจ็บไม่รู้สึกปวดไม่รู้สึกเดือดร้อนเพราะเขาไม่มีความรู้สึกนึกคิดไม่มีใจหรือไม่มีวิญญาณ น, นี่เองแต่ร่างกายนี้มีวิญญาณเราเป็นวิญญาณเราเป็นใจเราเป็นผู้รับรู้สิ่งต่างๆที่มากระทบกับร่างกายแล้วเราก็ดีใจเสียใจไปกับสิ่งที่มากระทบ สิ่งที่มากระทบที่ถูกใจเราเราก็เกิดความสุขใจขึ้นมาสิ่งที่มากระทบแล้วเกิดความไม่พอใจขึ้นมาเราก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมานี่คือเรื่องของเรากับเรื่องของร่างกายที่ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาตัดสั้เราจะไม่รู้ว่าเราเป็นใจเราไม่ได้เป็นร่างกาย ละใจของเรานี้สามารถเป็นอะไรต่างๆได้มากมายนอกจากเป็นมนุษย์แล้วก็ยังเป็นเทวดาได้เป็นครมได้เป็นพระอริยบุคคลได้เป็นเดฉานก็ได้เป็นเปรตก็ได้เป็นอสูรกายก็ได้เป็นนรกก็ได้การที่ใจเราเป็นอะไรต่างๆนี้อยู่ที่การกระทําของใจ คืออยู่ที่ความคิดของใจเมื่อใจคิดแล้วสั่งให้ร่างกายทำอะไรไปใจก็จะเปลี่ยนไปอย่างตอนที่เรามาเกิดในี้ใจของเราเป็นมนุษยนะ์เพราะถ้าไม่เป็นมนุษย์เราจะไม่ได้มาเกิดไม่ได้มาร่างกายของมนุษย์แต่พอเราจเจริญเติบโตขึ้นมาเราเริ่มมีการกระทาต่างๆใจของเราก็จะค่อยๆ แปลงเพศไปแปลงพัน์ไปกลายพัน์ไปถ้าเราทำบุญเรารักษาศีลได้ใจเราก็จะกลายเป็นเทวดาขึ้นไปถ้าเรานั่งสมาธิได้ทำใจให้สงบได้ใจของเราก็จะกลายเป็นพรหมแล้วถ้าเราได้พบกับพระพุทธศาสนาได้ฟังเทศฟังธรรมฟังคําสอนของพระพุทธเจ้า จนเกิดปัญญาแล้วพบว่าความสุขของเราความทุกข์ของเราอยู่ที่ความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจของพวกเราเองถ้าเรามีความอยากเราก็จะทุกข์ถ้าเราไม่มีความอยากเราก็จะสุขเราก็เลยตัดความอยากต่างๆออกไปตามลำดับใจของเราก็จะกลายเป็นพระอริยบุคคลขึ้นมา กลายเป็นพระโสดาบันพระสกิดาคามีพระอนาคามีพระอระหันต์ทั้งๆ ท, งที่ร่างกายของเรายังเป็นมนุษย์อยู่แต่ใจของเรานี่สามารถพัฒนาเปลี่ยนแปลงให้สูงขึ้นไปตามลำดับได้ด้วยการทำบุญทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนให้เราละการกระทำบาปทั้งปวง ให้เราทำบุญทั้งหลายให้ถึงพร้อมให้เรากำจัดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจคือทำใจให้สะอาดบริสุทธิ์ถ้าเราปฏิบัติตามคำสอนต่างๆของพระพุทธเจ้าได้ใจของเราก็จะเปลี่ยนไปเปลี่ยนจากมนุษย์ไปเป็นเทวดาจากเทวดาไปเป็นพรหมจากพรหมไปเป็นพระอริยะ บุคคลขั้นต่างๆจนถึงขั้นสูงสุดคือขั้นพระอาหารหันต์ได้ภายในชาตินี้พบนี้เลยจึงแม้ว่าร่างกายของเราจะเป็นมนุษย์อยู่แต่ใจของเราไม่ได้เป็นมนุษย์แล้วอะไรที่ทำให้เราเป็นมนุษย์คุณสมบัติอะไรที่ทำให้ใจเราเป็นมนุษย์มนุษย์ก็คือผู้ที่ไม่กระทําบาปคือ ไม่ค่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่พูดปดไม่ดื่มสุรายาเมาถ้าเราสามารถรักษาศีลทั้งห้าข้อนี้ได้ไม่กระทำบาปทั้งห้าข้อนี้ได้เราก็ยังเป็นมนุษย์อยู่แต่ถ้าเราเริ่มไปทำบาปเราก็จะแปลงไปถ้าเราทำบาปด้วยความโง่เขลาเบาปัญญา ด้วยความไม่รู้ว่าการทำบาปนี้จะทำให้เราไม่ได้เป็นมนุษย์เช่นเราไปลักทรัพย์หรือไปฆ่าเพื่อที่จะได้เลี้ยงปากเลี้ยงท้องเลี้ยงชีวิตเราเราก็จะเป็นเหมือนเดรัจฉานใจของเราก็จะเปลี่ยนจากการเป็นมนุษย์มาเป็นเดรัจฉาน ทัางๆ ท, ที่เรายังมีร่างกายอยู่แต่ใจของเราไม่มีไม่มีความเป็นมนุษย์อยู่เพราะการจะเป็นมนุษย์นี้จะต้องไม่ฆ่าไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดปะเวณีไม่พูดปดไม่ดื่มสุรายาเมาถ้าเราทำบาปเราก็จะกลายเป็นเดรัจฉานไปถ้าเราทำบาปเพราะว่าเราคิดว่าไม่เป็นไร เช่นคนที่เขาทําอาชีพฆ่าสัตว์เลี้ยงชีพของเขาเขาก็คิดว่าเป็นการรักษาชีวิตของเขาเขาก็เลยคิดว่าไม่เป็นไรไม่มีอะไรเพราะถ้าเขาไม่มีอาชีพเขาก็อดตายเขาคิดอย่างนี้แต่เขาไม่คิดว่ามีอาชีพอื่นอีกหลายอาชีพที่เราสามารถที่จะทําได้โดยที่เราไม่ต้องทําบาป ก, กัน แต่เนื่องจากเขาไม่มีความรู้ความฉลาดคิดไม่เป็นพอเห็นอาชีพมันไหนที่ง่ายที่สะดวกกับเขาเขาก็ทำกันเช่นสมัยก่อนเขาก็จะไปตกปลากันไปยิงนกกันไปดักสัตว์ไปจับสัตว์เพื่อที่จะได้เอามาเป็นอาหาร เ, าเขาก็คิดว่าเป็นเรื่องจำเป็นเรื่องที่จะต้องทำ เขาไม่คิดว่าจะมีผลเสียหายตามมาแต่คนที่ทําบาปด้วยความไม่รู้ว่าเป็นบาปคิดว่าไม่เป็นไรนะก็จะกลายเป็นเดรัจฉานไปนะเพราะว่าต้องเตรียมปากเลี้ยงทองบางทีก็ต้องรักขโมยบางทีก็ต้องฆ่านะเพื่อที่จะยังชีพลนะักษณะอย่างนี้ก็ไม่ต่างจากสัตว์เดรัจฉาน สัตเดรัฉานเขก็ต้องทำอย่างดีเขาต้องรักขโมยถ้าเราเอาของวางไว้เดี๋ยวสุนัขก็มาข่าไปกินได้ถ้าเขาเหิวเขามีสัตว์เล็กสัตว์น้อยเขาก็ไล่กัดกินได้เช่นถ้ามีไก่อยู่ในวัดนี้เดี๋ยวก็หมดเดี๋ยวสุนัขมันหิวมันเห็นไก่มันก็ตามจับไก่มากินกินด้วยความ<อ>ไม่รู้ว่าเป็นบาปก็เลยเป็น นิสัยสันดานหรือธรรมชาติของสัตว์เดรัจฉานถ้ามนุษย์มีนิสัยมีสันดานมีการประพฤติเหมือนกับสัตว์เดรัจฉานก็แสดงว่าใจนี้ได้เป็นเดรัจฉานแล้วโดยที่ยังไม่ได้ตายไปแต่เป็นแล้วแล้วถ้าพอตายไปก็จะไปเป็นเดรัจฉานทันทีจะไปเป็นเทวดาไม่ได้ จะไปเป็นพรมเป็นพระอริยบุคคลไม่ได้เพราะว่าใจนั้นถูกปั้นด้วยการกระทำของตนเองใจของเรานี้ถูกปั้นด้วยกรรมกรรมมรรคเราเป็นอะไรนี้อยู่ที่กรรมอยู่ที่การกระทำของเราถ้าเราทำบาปนี่ถึงแม้ว่าจะทมบาปเพื่อเลี้ยงชีพอันนี้ก็ยังถือว่าบาปและมีผลทำให้เราเสื่อมจากการเป็นมนุษย์ ถ้าเราอยากจะเป็นมนุษย์เราก็ต้องหาอาชีพอื่นทําเช่นไปเป็นพะยาบาลไปทํางานอะไรก็ได้ที่ไม่เกี่ยวกับการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอันนี้เราก็จะปลอดภัยจากการเป็นเดรัจฉานแล้วถ้าเกิดเราทําบาปด้วยความโลภอยากรวยอยากได้มากมาก็เลยช่อโกงลกโกหกหลอกลวงหรือฆ่าสัตว์ เช่นทำอาชีพค่าสัตว์แบบใหญ่โตเป็นโรงงานอย่างนี้เพื่อที่จะได้มีรายได้เข้ามาเยอะๆทั้งๆที่เราไม่จำเป็นที่จะต้องทำอาชีพเหล่านี้เราก็มีฐานะพอมีพอกินพออยู่ได้แต่เนื่องจากอยากจะร่ํารวย mm hmm. เห็นว่าอาชีพฆ่าไก่นี้เป็นอาชีพที่ดีก mm ็ hmm. เลย ทำเป็นโรงงานเป็นอุตสาหกรรมไปร่ำรวยจากการค้าไก่ถ้าทำบาปด้วยความโลภนี้ท่านว่าใจนี่ได้เปลี่ยนไปเป็นเปรตแล้วพก็มีความหิวมีความอยากได้เงินเยอะๆได้เท่าไหร่ก็ไม่พอแล้วก็ใช้ก็ใช้ไม่หมดตายไปก็เอาไปไม่ได้แล้วก็หวงไม่ยอมเอาไปทำบุญ นี่คือลักษณะของเปรตเปรตนี้จะไม่ชอบทำบุญจะชอบแต่หาเงินหาเงินมากๆหรือหาอะไรมากๆอยากได้ข้าของมากๆอยากได้สิ่งของมากๆ ก, ก็เลยไม่คำนึงถึงเรื่องของการรักษาศีลเพราะถ้ารักษาศีลก็จะทำยากฆ่าสัตว์ไม่ได้ก็ไปทําอุตสาหกรรมค่าไก่ไม่ได้ อันนี้ใจก็จะกลายเป็นเปรตไปทั้งทั้งที่ยังมีร่างกายเป็นของมนุษย์แต่ใจไม่ได้เป็นมนุษย์แล้วแล้วถ้าเราไปทำบาปด้วยความกลัวกลัวอย่างนั้นกลัวอย่างนี้ก็เลยทำบาปถ้าทำบาปด้วยความกลัวท่านก็เรียกว่าใจก็เป็นอสุรากายแล้วถ้าไปฆ่า ไปทำบาปด้วยความโกรธเกลียดเครียดแค้นอาฆาตพยาบาทใครทำให้เราไม่พอใจเราก็สั่งเขาฆ่าเลยหรือฆ่าด้วยตัวเราเองอันนี้ก็จะทำให้เราเป็นนรกไปเป็นสัตว์นรกไปนี่คือใจของพวกเรามันเปลี่ยนไปตามพฤติกรรมของเราตามการกระทําของเราพระพุทธเจ้าจึงต้องสอนให้พวกเรา ละการกระทำบาปทั้งปวงอย่าทําบาปเพราะว่าต้องเลี้ยงปากเลี้ยงท้องอย่าทําบาปเพราะโลภอยากได้มากๆอย่าทําบาปเพราะกลัวกลัวอดอยากกลัวถูกเขาจะมาทำร้ายเราเราก็เลยไปทําร้ายเขาก่อนไปทําลายเขาก่อนลกอนลัวมดกลัวแมลงอย่างเงี้ยก็ไปฆ่าไปตีเขากลัวเขาจะมากัดเรามากินเรา เราก็เลยไปฆ่ามดฆ่าแมลงกันอันนี้ลักษณะแบบนี้เรียกว่าเป็นอสูรลกายหรือภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าเป็นผีพวกผีนี้เป็นพวกขี้กลัวทำบาปด้วยความกลัวแล้วถ้าเราไปฆ่าหรือไปทาร้ายผู้อื่นเพราะความโกรธเกลียดเครียดแค้นเขามาทำให้เราเกิดความเสียหายเช่นแย่งสามีแย่งภรรยาของเราไป แย่งทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองของเราไปเราก็โกรอาฆาตพยาบาทก็ฆ่าได้ก็ฆ่าเลยถ้าทำอย่างนี้ใจก็จะเป็นนรกนรกก็คือร้อนเป็นไฟขึ้นมาคนที่มีความอาฆาตพยาบาทเขียดแค้นี้จะร้อนใจที่มีความกลัวก็จะเป็นกลัวไปเรื่อยๆใจที่โลภ ก, ก็จะหิวไปเรื่อยๆ เ, เป็นเปลื ได้เท่าไหร่ก็ไม่เคยมีความอิ่มความพอเพราะการได้อะไรมานี้ไม่ได้ทำให้ใจพอการที่จะทำให้ใจอิ่มใจพอนี้ต้องให้ต้องเสียสละต้องแบ่งปันถ้าใจเราเป็นเปรตแล้วเราเปลี่ยนใจได้เรายอมทำบุญเรายอมแบ่งปันข้าวของเงินทองต่างๆให้แก่ผู้อื่นใจเราก็จะพลิกกลับจากเปรตมาเป็นเทวดาทันทีเพราะเทวดานี้ เป็นผู้ให้เป็นผู้มีความอิ่มใจสุขใจถึงเป็นเทวดาถึงได้อยู่บนสวรรค์สวรรค์ก็คือใจที่มีความสุขนี่เองถ้าอยากจะมีความสุขอยากจะเป็นเทวดาก็อย่าไปทำบาปแล้วก็ทำบุญให้มากๆทำยิ่งมากก็ยิ่งได้บุญยิ่งได้สวรรค์ชั้นสูงขึ้นไปสวรรค์ก็เป็นเหมือนโรงแรงที่มีดาวต่างๆ ทำน้อยก็อยู่โรงแรมดาวน้อยถ้าทำมากก็อยู่โรงแรมดาวมากเหมือนคนที่ไปเที่ยวพักตามโรงแรมมีเงินน้อยก็ต้องพักอยู่โรงแรมดาวเดียวถ้ามีเงินมากก็พักโรงแรมห้าดาวได้เงินที่จะทำให้เราไปอยู่สวรรค์ชั้นต่างๆก็คือบุญนี่เองเอาเงินที่เรามีอยู่นี้แทนที่จะไปเที่ยวอยู่ตามโรงแรมต่างๆเอาไปทาบุญดีกว่าเราจะได้อยู่ สวรรค์ชั้นชั้นห้าดาวซึ่งมีความสุขยิ่งกว่าการไปอยู่โรงแรมห้าดาวนี่คือเมื่อมของจิตใจของพวกเราที่พวกเรามาทำบุญกันเพราะอะไรเพราะทำแล้วสบายใจรูทุกข์ใจถ้าทุกข์ใจก็คงยังไม่มาทำกันที่มาเพราะว่าทำแล้วสบายใจมีความสุขมีความอิ่มเอิบใจ ม, มีความพอใจ มีความภูมิใจในความดีของเรานี่แหละเป็นผลที่เกิดขึ้นที่ใจของเราไม่ได้เกิดที่ร่างกายร่างกายเราไม่ได้เปลี่ยนไปไม่ได้เป็นเทวดาไม่ได้เป็นเปรตไม่ได้เป็นผีไม่ได้เป็นอะไรร่างกายก็เป็นร่างกายพอถึงเวลาก็ตายก็เปลี่ยนกายเป็นดินน้ำลมไฟไปไม่ใช่ตัวเราตัวเราอยู่ที่ใจ พอเราไม่มีร่างกายเราก็เราก็เรียกตัวเราว่าดวงวิญญาณขณะที่ไม่มีร่างกายก็เป็นเวลาที่ใจของเรากําลังไปรับผลของบุญของบาปที่เราทํากันอยู่ถ้าใจเป็นเปรตก็ไปเป็นเปรตถ้าใจเป็นนรกก็ไปนรกถ้าใจไปเป็นเดรัจฉานก็ไปเป็นเดรัจฉานถ้าใจเป็นเทพก็ไปเป็นเทพเป็นพรหมก็ไปเป็นพรหม เป็นพระอริยเจ้าก็เป็นพระอริยเจ้าอย่างพระพุทธเจ้าตอนที่ทรงตรัสรู้ในวันเพ็ญเดือนหกตอนนั้นใจของพระพุทธเจ้าก็เป็นพระอราหันต์แล้วเป็นพระพุทธเจ้าแล้วหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดแล้วไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปแต่ร่างกายยังไม่ตายก็เลยต้องอยู่อยู่กับร่างกายไปก่อนรอจนกว่าร่างกายจะตายไปใจก็จะ หมดภาระขณะที่มีร่างกายก็เลยใช้ร่างกายนี้มาทำประโยชน์เพราะถ้าไม่มีร่างกายก็จะไม่สามารถสั่งสอนพวกมนุษย์ได้การจะสั่งสอนมนุษย์อย่างพวกเราได้นี้พระพุทธเจ้าพะาระอรหันต์ทั้งหลายต้องมีร่างกายถ้าเกิดท่านตายไปท่านก็ไม่สามารถมาสั่งสอนพวกเราได้เหมือนตอนนี้พระพุทธเจ้าไม่สามารถมาสั่งสอนพวกเราได้แล้ว เพราะท่านไม่มีร่างกายแล้วร่างกายของท่านตายไปแล้วแต่ใจคือตัวของท่านยังไม่ตายตัวของท่านก็อยู่ที่นิพพานอยู่ที่พระนิพพานอยู่ที่ไม่ต้อง ม, มีการเวียนว่ายตายเกิดเพราะท่านสามารถกําจัดต้นเหตุของการมาเกิดได้ต้นเหตุของการมาเกิดก็คือความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจของพวกเรา ถ้าพวกเรายังไม่สามารถกำจัดความอยากต่างๆได้เช่นความอยากมีแฟนความอยากมีทรัพย์อยากมีเงินมีทองอยากมีอะไรต่างๆอย่างที่เรากำลังอยากกันอยู่ในขณะนี้เราก็ยังจะต้องกลับมามีร่างกายเพราะเราต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือพาเราไปทำตามความอยากต่างๆแต่ถ้าเราสามารถกำจัดความอยากให้หมดไปจากใจได้ เราก็จะไม่มีเหตุที่จะพาให้เรามามีร่างกายต่อไปเมื่อเราไม่มีร่างกายเราก็ไม่มีความแก่ไม่มีความเจ็บไม่มีความตายไม่มีความทุกข์ต่างๆต่างมาถ้าเราไม่อยากจะมีความทุกข์เราต้องไม่กลับมาเกิดเพราะทุกย่อมมีแก่ผู้ไม่เกิดเท่านั้นถ้ายังมาเกิดอยู่ไม่ว่าจะเป็นเกิดเป็นเทวดาเป็นพรหม เป็นมนุษย์เป็นเดรัจฉานก็จะต้องพบกับความตายกันเทวดาก็ตายผมก็ตายผมก็ตายแล้วก็กลับมาเกิดเป็นเทวดาแต่เทวดาตายก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ต้องมีความตายกันทุกคนทุกภพทุกชาติมีที่เดียวที่ไม่มีความตายก็คือที่นิพพานที่พระนิพพานจะไปที่พระนิพพานได้ก็ต้องกําจัดความอยาก สามประการคือความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสที่เรียกว่ากามาขัณหาความอยากมีอยากเป็นคืออยากได้นู่นอยากได้นี่อยากเป็นนั่นอยากจะเป็นนี่อยากได้ลาบยศสรรเสริญอยากได้ความสุขต่างๆถ้ามีความอยากเหล่านี้เราก็จะกลับมาเกิดแล้วความอยากประการที่สามก็คือความอยากไม่ได้ไม่มีไม่เป็น ฉันอยากไม่แก่อยากไม่จนอยากไม่เจ็บอยากไม่ตายอยากไม่ให้เสื่อมจากความร่ํารวยอยากไม่ให้เสื่อมจากลาบยศสรรเสริญจากความสุขต่างๆความอยากเหล่านี้มันจะทําให้เราต้องดิ้นหาความสิ่งที่เราอยากได้กันดังนั้นถ้าเราอยากจะไม่กลับมาเกิดเราก็ต้องชําระใจของเราให้บริสุทธิ์กำจัดความอยากต่างๆ วิธีที่จะชำระ ก, ก็ต้องใช้การภาวนาเรียกว่าจิตตภาวนาการภาวนานี้เป็นการซักฟอกใจเหมือนกับเวลาที่เราเอาเสื้อผ้าที่สกรปรกไปซักล้าง <c oughs> เราก็ต้องมีน้ำมีแฟบเราถึงจะสามารถซักฟอกความสกปรกต่างๆของร่างกายของของเสื้อผ้าให้หมดไปได้ใจของเราก็เป็นเหมือนเสื้อผ้าที่สกรปรก ถ้าเราอยากจะให้มันบริสุทธิ์เราก็ต้องซักฟอกด้วยการบําเพ็ญจิตตภาวนาคือสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาสมถภาวนาก็เป็นเหมือนน้ําถ้าเราเอาผ้าไปแช่ในน้ําคราบสกปรกก็จะหายไปส่วนหนึ่งแต่ยังหายไม่หมดคราบที่ยังติดอยู่ในเสื้อผ้านี้ต้องใช้ผงซักฟอกถึงจะหายถ้าเราใช้สมถภาวนา เราก็จะหยุดความอยากไว้ได้ชั่วคราวแต่ความอยากมันจะไม่หมดไปถ้าเราอยากจะให้ความอยากหมดไปเราก็ต้องเจริญวิปัสสนาภาวนาต้องใช้ปัญญาให้เห็นว่าสิ่งที่เราอยากนั้นเป็นทุกข์ทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงทุกข์เพราะว่ามันไม่ได้เป็นของเรามันจะต้องจากเราไปเช่นอยากมีแฟนคิดว่ามีแฟนแล้วจะมีความสุขพอได้แฟนมาแล้วเดี๋ยวก็ทุกข์กับแฟน เพราะทุกพแฟนเขาไม่เที่ยงเดี๋ยวแฟนเขาก็เปลี่ยนไปตอนรู้จักกันใหม่ๆก็ดีเอาอกเอาใจทุกอย่างพอได้เราไปเป็นแฟนแล้วเขาก็เริ่มเปลี่ยนแทนที่จะเอาอกเอาใจเราเขากลับไปเอาอกเอาใจเขาพอเราไม่เอาใจเขาเขาก็โกรธเราเกลียดเราขึ้นมาพอเขาโกรธเราเราก็เสียใจเราก็ทุกข์ใจแล้วไม่ช้าก็แล้วเราก็ต้องจากกันพอจากกันก็เสียอกเสียใจอีก ให้เห็นด้วยปัญญาว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอยากได้นั้นมันไม่ได้เป็นความสุขหรอกมันเป็นความทุกข์แต่เรามองไม่เห็นเพราะเราเป็นคนตาบอดเห็นอะไรก็เห็นว่าดีเห็นว่าเป็นความสุขแต่พอได้มาแล้วก็ต้องมาร้องห่มร้องไห้ในภายหลังาะเราไม่เห็นว่าเขาไม่เที่ยงเราไม่เห็นว่าเขาไม่ได้เป็นของเราสักวันนึงเขาจะต้องจากเราไปหรือเราจะต้องจากเขาไป ถ้าเราเห็นว่าทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราเราก็จะไม่อยากได้อะไรพอเราไม่มีความอยากใจของเราก็สะอาดบริสุทธิ์ขึ้นมานี่คือวิธีซักฟอกใจของเราศีลซักฟอกไม่ได้การทำบุญทำทานนี้ซักฟอกไม่ได้ต้องใช้การภาวนาสมถะภาวนาทำใจให้สงบแล้วก็ใช้วิปัสสนาหลังจากออกจากความสงบมา สอนใจให้ฉลาดอย่าหลงรักสิ่งนั้นสิ่งนี้อย่าไปอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้เพราะได้มาแล้วจะต้องทุกข์กับมันถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าเอามาพยายามมองให้เห็นว่าทุกอย่างนี้เป็นเหมือนยาพิษถ้าเรารู้ว่าเป็นยาพิษเราอยากได้ไหหรือเห็นว่าเป็นงูพิษเราอยากได้ไหมเรากลับไม่เห็นว่าเป็นงูพิษตาเราลายเห็นว่าเป็นปลาไหลก็เลยอยากจะจับมากินกัน ความจริงกำลังจับงูเห่ามาพอไปจับมันก็เลยโดนมันกับกัดแล้วก็มาล่องห่มล่องห้ารก็เราไม่มีปัญญาเราจึงต้องมาฟังเทศฟังธรรมกันเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าเรากำลังหาความทุกข์กันอยู่ในตอนนี้เราไม่ได้หาความสุขกันหรอได้อะไรมาก็จะต้องทุกขกับสิ่งที่เราได้มาไม่ช้าก็เร็วได้เงินมาเดี๋ยวก็ต้องทุกกับเงิน เ, เงินก็ต้องหมด พอเงินหมดก็ทุกข์แล้วไม่มีเงินใช้ <c oughs> เวลามีเงินใช้ก็สุขแล้วพอเงินหมดทำไง <c oughs> ก็ต้องไปดินน้นรนหาเงินหาทองกันไปหาพระขอเลขขอเบอร์กันแล้วพอแทงแล้วไม่ถูกก็ทุกข์กันอีกเสียใจกันอีกนี่คือการอยากความอยากของเรามันหลอกให้เราไปหาของที่เป็นทุกข์กันโดยหลอกว่าเราว่าเป็นสุขกันมีเงินมากๆแล้วจะมีความสุข จะได้ไปเที่ยวได้ไปไ ป, ไปกินไปดื่มไปซื้ออะไรได้แต่มันไม่บอกว่า เ, าเวลาหมดเราจะทอยังไงเวลาหมดก็ร้องไห้สบางคนที่ก็ขวนคอตายกระโดกตึกตายเวลาสิ้นเนื้อประดาตัวไม่รู้จะทำไงอยากจะได้เงินแต่มันไม่มาแล้วมันหายไปหมดแล้วนี่เราไม่มองกันว่ามันไม่เที่ยงมันไม่ได้เป็นของเราถ้าเราอยากจะ ไม่มีความอยากเราต้องมองว่าสิ่งที่เราอยากนั้นมันเป็นทุกข์มันไม่เที่ยงมันไม่ได้เป็นของเราแล้วต่อไปเราจะไม่อยากได้อะไรแล้วเราก็จะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปนี่คือเรื่องของสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้จากการที่เรามาวัดแล้วเราจะได้รู้จักวิธีดำเนินชีวิตของเราให้ไปสู่ความสุขและความเจริญก้าวหน้าเพียงอย่างเดียว เหมือนกับที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายได้ํำเนินไปเราก็สามารถที่จะดำเนินตามไปได้ถ้าเราปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างเคร่งครัดรับรองได้ว่าเราจะได้พบกับความสุขและความเจริญตามลำดับไปจนถึงขั้นสูงสุดอย่างแน่นอนการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไวเพียงเท่านี้ ขอคุณพระศีระัตะนไาตา่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงปกป้องคุ้มครองรักษาจิตใจของท่านให้มีแต่ความสุขและความเจริญแค้วค่ า, าปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงโดยทั่วหน้ากันเธอ